พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่ส2มหาราหุโลวาทาสูตรสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุนสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามตรัสสอนพระราหุนในระหว่างที่ท่านตามเสด็จไปบิณฑบาตในเวลาเช้าว่าพึงพิจารณาเห็นรูปทุกชนิดทั้งอดีตอนาคตปัจจุบัน ภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวดีไกลใกล้ว่ารูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระราหุลกลับจากที่นั้นนั่งคูบันลังคือขัดสมาธิณโนะคนไม้ต้นหนึ่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าพระสารีบุตรเห็นเข้า จึงสอนให้เจริญอาณาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกในเวลาเย็นพระราหุลออกจากที่เรนเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามถึงวิธีเจริญอาณาปานสติที่จะมีผลมากมีอานิสงมากพระผู้มีพระภาคตรัสสอนเรื่องรูปภายในคือร่างกายที่แข็งแข็งมีผมขนเป็นต้น ที่เรียกว่าธาตุดินภายในตลอดจนธาตุน้ำไฟลมอากาศทั้งภายนอกภายในให้เห็นเป็นแต่ศัก์ว่าธาตุไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายธาตุเหล่านั้นทำจิตให้คลายกำหนัดหรือความติดใจในธาตุเหล่านั้น ครั้นแล้วตรัสสอนให้เจริญภาวนาคืออบรมจิตเสมอด้วยท่าแต่ละอย่างซึ่งผัสสะที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ได้โดยชีย้ให้เห็นว่าท่าเหล่านั้นย่อมไม่แสดงอาการผิดปกติเช่นเบื่อหน่ายเกลียดชังสิ่งสะอาดหรือสกรปรกที่ทิ้งลงไปใส่หรือที่ท่าเหล่านั้นผ่านไป ปรัดสอนให้เจริญเมตตาภาวนาคือไมตรีจิตคิดจะให้เป็นสุขซึ่งจะเป็นเหตุให้ละพยาบาทหรือความคิดปองร้ายได้กรุณาภาวนาคือเอ็นดูคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นเหตุให้ละวิหิงสาคือการคิดเบียดเบียนได้มุทิตาภาวนาพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ซึ่งจะเป็นเหตุให้ละอระติคือความไม่ยินดีหรือริษยาได้อุเบกขาภาวนาวางใจเป็นกลางซึ่งจะเป็นเหตุให้ละปฏิฆะคือความขัดใจได้อสุภะภาวนาเห็นความไม่งามซึ่งจะเป็นเหตุให้ละราคะคือความกำหนัดยินดีได้อ น, นิจจสัญญาภาวนา กำหนดหมายสิ่งที่ไม่เที่ยงซึ่งเป็นเหตุให้ละอัสมิมานะคือความถือตัวถือตนได้ครั้นแล้วตรัสสอนวิธีเจริญสติกำหนดลมหายใจเข้าออกที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากแบบเดียวกับที่ตรัสไว้ในอาณาปานบับคือหมวดว่าด้วยลมหายใจเข้าออกในมหาสติปทานสูตร